بسم الله الرحمن الرحيم. فسجلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل مع ك أخي الكريم المصحف الشريف للأخي سعد الغامدي. الشريط ا ل س ا د س عشر ويحتوي على جزئي ت ب ا ر ك و ع ن نعم بود المول. ب و المول بن ب و مكيا مي 30 <تصفيق> بومكان.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 และบรรดาผู้ศรัทธาประสบความตายและความพี่ห น, นับทนี้ถูกขนานนามอีกว่าอัลวาติยะ ah, และอัลมุลยิยาแปลว่าผู้คุ้มครองผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยเหลือเพราะบทนี้จะป้องกันหรือคุ้มครองผู้อ่านให้พ้นจากการลงโทษในสุสานท่านอบีุลเลาะห์สัลลัลลอฮุซายด์ละเปาะะละลวะวบทนี้จะปกป้องและช่วยเหลือให้พ้นจากการลงโทษในสุสาน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 และเราได้เตรียมการลงโทษด้วยไฟอันร้อนแรงไว้สำหรับพวกมันและสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นคือการลงโทษแห่งนรกยานหนำและมันเป็นทางกลับที่ชั่วช่ายิง่งอีด้ออลคูฟีเฮสมล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 إن أن พวกเขากล่าวว่ามีได้มีผู้ตักเตือนมายัางเราแต่พวกเราได้ปฏิเสธและเราก็กล่าวอีกว่าอาลัลลอฮ์ไม่ได้ประทานสิ่งใดลงมาพวกท่านตังหากที่อยู่ในการหลงผิดอย่างมาก และพวกเขากล่าวอีกว่าหากพวกเราฟังและใ้สติปัญญาที้ควรพวกเราก็จะไม่ได้เป็นชาวนรกอย่างนี้ดรอกพวกเขายอมสรภาพความผิด แต่มันหางไกลไปเสียแล้วสําหรับเป็นชาวนรกอินนัลวดีนยัขชาวนรับบิลไหลบิลหัมมักฟิรสวะอัจรุนคบีรถ้าจริงบรรดาผู้ยำเครงต่อพระพูดภิบาลของพวกเขาโดยทางลับสําหรับพวกเขาจะรับการอภายโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่วะอซิรรูกาวล كم อวิจหรูบิห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 พระองค์คือผ no ู้ทรงทำให้แผ่นดินนื้อราบเรียบสำหรับพวกเจ้าดังนั้นจงสัญจรไปในขอบเขตของมันแต่จงบริโภคจากปัจจัยยางชีพของพระองค์และยังพระองค์เท่านั้นคือการฟื้นคืนชีพ พวกเจ้าจะปลอดภัยหรือจากการที่พระผู้ทรงสถิตยอยู่ณฟ้าฟ้าจะให้แผ่นดินสู่พวกเจ้าแล้วขณะนั้นมันจะวันไหวสันเสถื่น أ รรหรือว่าพวกเจ้าจะปลอดภัยจากการที่พระผู้ทรงสถิตอยู่นฟากฟา้าจะทรงส่งลมหอบก้อนกรวดให้กระน่ำมาอย่างพวกเจ้าและพวกเจ้าก็จะรู้ว่าการตัดเตือนของข้านั้นเป็นเช่นไหนัดาีีคานคท แต่โดยแน่นอนบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิเสธมา ก, ก่อนแล้วแต่นั้นการปฏิเสธคําเตือนของข้ามีผลเป็นอย่างไรอาวลัมยร่อิลัตตรีฟาวคหมซาฟาธนวัยกบิรมายุมสิกุฮนอิลลารรหมานอินนะหูบิคุลิเชียบศีร พวกเขาไม่ได้มองดูนกที่บินอยู่เบื้องบนของพวกเขาดอกหรือมันกางปีกและหุบปีกของมันไม่มีผูดด้ใดจะไปจับดึงมันไว้ได้นอกจากพระผู้ทรงกรุณาถท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นทุกสิ่งอัมมันหาซันลลดีฮุวจุนดุลละกุมยะรุกมมินดุนิรัหมานอินิลกาฟิรูนอิลลาฟิฆุร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 หากโรงจะทรงระงับปัจใจยอย่างชีพของโรงไว้แต่ว่าพวกเจ้าดือรั้นอยู่ในการหิ่งยโสและห่างไกลาจากความจริงอาฟมันยัมชีมุคิบบนอาลาวจหิธีอาฮดาอัมมันยัมชีสวียนอาฮดาอัมมันยัมชีสวยีนยนอาลาศรานมุส ستق ีน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 ส่วนน้อยเหลือเกินที่พวกเจ้าจะขอบคุณอจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพระองค์เป็นผู้ทรงแพร่เผ่าพันุของพวกเจ้าในแผ่นดินและพวกเจ้าจะถูกรวบรวมให้กลับไปยังพระองค์นซออดิุตีและพวกเขากล่าวว่า เมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้นหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงุจงกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่อัลลอ์ความจริงฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้น ต่อเมื่อพวกเขาเห็นมันการลงโทษใกล้เข้ามาแล้วใบหน้าของบรรดาผู้ปฏิเสธศัทธาก็จะหม่นหมองและจะมีเสียงกล่าวว่านี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเคยร้องขอให้มันเกิดขึ้น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 แล้วผู้ใดเล่าจะช่วยให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพ้าพนจากการลงโทษอันเจ็บปวดวจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระองค์คือพระผู้ทรงกรุณาเราศรัทธาต่อพระองค์แล้วเราขอมอบหมายแด่พระองค์ แล้วจะได้รู้ว่าใครผู้ใดอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งจงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าพวกเจ้าจงบอกฉันสิว่าหากแหล่งน้ำของพวกเจ้าเดือดเผือดแห้งลง แล้วผูใ้ใดเล่าจะนำน้ำที่มากมายมาให้พวกเจ้า